สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บาทนะครับในเช้าวันนี้เรากลับมาอยู่ในชีวตพระเยซูตอนที่ห้าร้อยสิบเก้าเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูพั้งที่ยี่สิบสี่ต่อจากเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมได้ขอหยุดไปเพราะเนื่องจากว่าสายเสียงนั้นติดเชื้อมีการอักเสบและไม่มีเสียงต้องพักเสียงมาเป็นเวลาสองอาทิตย์ พีนครับขอบคุณพระเจ้าที่ในเช้าวันนี้เสียงของผมนั้นด้วยพระคุณของพระเจ้าได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าที่จะใช้ชีวิตของผมทั้งชีวิตในการรับใช้พระเจ้าใช้อวัยวะทุกส่วนของผมในการรับใช้พระเจ้าเพราะว่าผมได้ถวายตัวถวายชีวิตให้กับพระองค์แล้วขอให้เป็นเช่นนั้นเถิดอาเมนพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่เจ็ด ข้อที่ยี่สิบจนถึงข้อที่ยี่สิบหกครับฮีบรูบทที่เจ็ดข้อที่ยี่สิบจนถึงข้อที่ยี่สิบหกโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าที่ว่าดีกว่านั้นก็เพราะว่าปุโรหิตใหม่คนนี้พระเจ้าทรงตั้งขึ้นโดยทรงปฏิญาณไว้บรรดาปุโรหิตเผ่าเลวีนั้นไม่มีการกล่าวปฏิญาณเมื่อเขาเข้ารับตําแหน่ง แต่ส่วนปุโรหิตใหม่นี้มีคำกล่าวปฏิญาณว่าพระเจ้าทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่ทรงเปลี่ยนพระทยท่านเป็นปุโรหิตตลอดกาลข้อนี้กระทำให้พันธสัญญาที่เปเยซูทรงรับประกันนั้นดีกว่าพันธสัญญาเก่าสักเพียงใดปุโรหิตเ่าเลวีนั้นมีการสืบตาแหน่งกันหลายคน เพราะความตายขัดขวางไม่ให้เขาปฏิบัติงานได้ตลอดไปแต่พระเยซูนี้ทรงดํารงตําแหน่งปุโรหิตตลอดการเพราะพระองค์ทรงดารงชีวิตอยู่เป็นนิจ ด, ด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงสา ม, มารถเป็นนิจที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นนิจเพื่อช่วยทูลขอพระกรุณา ให้คนเหล่านั้นมหาปุริิตเช่นนี้แหละที่เหมาะสำหรับเราคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มนถินแยกจากคนบาปทั้งปวงประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์พี่น้องครับคำอธิบายเพื่อที่จะให้เราเข้าใจเรื่องของความเป็นมหาปุริิตสูงที่สุด ที่สามารถหรือมีศักยภาพที่จะนำพวกเราไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ดีกว่าในสมัยก่อนหรือสมัยพระกรมปีเก่าผู้เขียนฮีบรูนั้นได้พูดถึงว่าที่ดีกว่านั้นเพราะว่าพระเยซูได้ทรงถูกตั้งขึ้นโดยพระบิดาและได้มีคำปฏิญาณของพระองค์เองเมื่อเข้ารับตำแหน่ง พระเยซูมีคํากล่าวคําปฏิญาณจากพระองค์ว่าองค์พระบุตรเจ้าทรงปฏิญาแล้วและจะไม่เปลี่ยนพัฒไยพระองค์ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิดตามอย่างเมลคีเชเด็กพี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นผู้รับประกันแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ดีกว่าพันธสัญญาเดิมบรรดาปุโรหิตของพันธสัญญาเดิมนั้นได้ดำรงตําแหน่งของตน เพียงเพราะว่าพวกเขาเกิดมาในเชื้อสายเลวีและอารอนเชื้อสายของพวกเขาไม่เคยได้รับการแต่งตั้งโดยคําปฏิยาณจากพระเจ้าโดยตรงครับไม่เหมือนกับพระเยซูพระเยซูได้รับคําปฏิญาณรับกา ร, การการันตีจากพระเจ้าโดยตรงความหมายคําว่าปฏิยาณ น, นั้นก็คือคําสัญญาที่ศักดิ์สิทธิ์หรือพันธสัญญานั่นเองมีแต่พระเมสสิยาห์ผู้ทรงถูกแต่งตั้งเป็นปุโรหิตตามแบบอย่างของเมล์ทีเซเด็กเท่านั้น ที่ได้รับคำปฏิญาณหรือคำการันตีซึ่งคำการันตีนี้นั้นปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดดีบทที่หนึ่งร้อยสี่ขอโทษครับหนึ่งร้อยสิบข้อที่สี่โปรงจึงได้รับการแต่งตั้งโดยพนันธะยาหรือคำสัญญาที่ดีกว่าข้อต่อมาในข้อที่ยี่บสามนะครับยี่บสามจนถึงข้อที่ยี่สิบหกเราได้เห็นชัดเจนครับว่าพระพีได้กล่าวว่าแท้จริงปุโรหิตเหล่านั้นก็ได้ ตั้งไวหลายคนแต่ความตายขัดขวางไม่ให้เขาอยู่ในตำแหน่งตลอดไปแต่สำหรับพระเยซูนั้นโดยเหตุที่พระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เป็นขึ้นเหนือความตายก็ทำให้ตำแหน่งของปุโรหิตของพระเยซูนั้นไม่แปรปลวนไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการถูกขัดขวางด้วยความตาย เพราะฉะนั้นนี่คือความเหนือกว่าของตำแหน่งปุ้โลหิตของพระเยซูเมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งปุ้โลหิตตามอย่างของอาโรอนและพระธรรมฮีบรูเองนั้นก็ได้บอกกับเราให้เห็นว่าในการที่คนเหล่านั้นตายหมดแต่พระเยซูไม่ตายครับพระเยซูทรงดำรงอยู่เป็นนิจทรงจึงทรงเป็นอมตะและทรงอยู่ชั่วนิรันด์นี่เป็นที่มาของการันตีว่าหากใครก็ตามที่ผ่านพระเยซูไปพวกเขาจะได้รับชีวิตนิรันด์ ได้รับการการันตีจากพระเจ้าเพราะพระเยซูเองทรงได้รับการการันตีจากพระบิดาเขายิบสามยิบสี่นะครับต้องการจะสื่อว่าพวกปุโรหิตตระกูลเลวีนั้นมีมากกว่าหนึ่งแต่สําหรับมหาปุโรหิตแบบเมโคีเสด็จนั้นมีแค่คนเดียวครับและพวกที่มีเยอะๆมากๆมากกว่าหนึ่งพวกเขาเสียชีวิตหมดทุกคนอย่างไรก็ตามครับสําหรับพระเยซูคริส ตำแหน่งปุโรหิตของพระองค์ไม่แปรปรวนและไม่เปลี่ยนแปลงเราสามารถพึ่งพาพระองค์ได้ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยทุกยุคทุกสมัยจะไม่มีการแปรปลีนหลักการในการได้รับชีวิตนิรันดร์ของผู้คนก็ไม่มีวันแปรปลีนเช่นเดียวกันความหมายคําว่าแปรปลีนคือถ่ายโอนไม่ได้นะครับความหมายความแปรปลีนคือไม่แน่ไม่นอนตำแหน่งปุโรหิตของพระเยซูนั้นจึงเป็นเอกลักษณ์ครับถ่ายโอนไม่ได้ครับไม่แปรปลีนครับ ดำลงอยู่เป็นนิดชั่วนิดนิดันและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในข้อยี่ห้านี้เราจะพบว่าด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงทรงสามารถเป็นนิดที่จะช่วยคนทั้งปวงให้เข้ามาถึงพระเจ้าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าทุกยุคทุกสมัยนั้นพระเยซูสามารถเป็นนิดครับช่วยทุกทุกคนที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์ทรงผชนอยู่ ความหมายของคําว่านิทรรศนะครับพานเตเลสภาษากรีกคือครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับแต่เมื่อเปรียบเทียบความไม่สมบูรณ์แบบของบูรหิตแบบอารอนหรือตะกูลเลวีเราก็เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนครับว่าความรอดของเรานั้นครบถ้วนสมบูรณ์แบบในพระคริสต์นะครับโดยทางเดียวครับคือพระเยซูคริสต์ในขณะที่ระบบบูรหิตแบบอารอนเลวีนั้นจะต้องทํากันหลายรอบนะครับ ทำกันหลายรอบก็คือว่าจะต้องนํามาถวายบูชาปีหนึ่งจะต้องเข้าไปในพระวิหารนะครับสามครั้งเป็นอย่างน้อยเพื่อการถวายบูชาพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนของเราผู้ติดตามพระเยซูเพราะว่าการที่เราติดตามพระเยซูนั้นเราเชื่อไว้วางใจสารภาพบาปทูลขอพระเยซูเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดติดตามพระเยซูตลอดไปผลของการที่เราทําเช่นนี้ ทำให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์ครับทําให้เราได้รับการลบบาปทําให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจครั้งเดียวนะครับการที่เราได้ไว้วางใจพระองค์ตัดสินใจเชื่อมั่นในพระองค์และสิ่งนี้จะส่งผลตลอดชั่วชีวิตนิรันดร์ของเราเพราะฉะนั้นนะครับอุโรหิตแบบเลวีไม่สามารถนําคนสู่ความสมบูรณ์ได้ธรรมบัญญัติก็ไม่สามารถนําคนสู่ความสมบูรณ์ได้ พี่น้องครับสมัยนี้คนยิวเองก็เริ่มเรียนรู้แล้วครับว่าคามัญญัติของโมเสสนะครับกับการถวายบูชาปุโรหิตแบบเลวีก็เขาเริ่มรู้ครับว่าไม่สามารถนะครับเมื่อคนยิวเริ่มหัำกลับมาเชื่อพระเยซูเขารู้ครับว่าทางพระเยซูซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์สามารถช่วยได้ ดัน้ข้อสุดท้ายนะครับในวันนี้อยู่ในข้อที่26มหาปุโรหิตเท่ยนี้แหละเหมาะกับเราคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มนถิ่นแยกจากคนบาปทั้งปวงประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์เราจะเห็นคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณของพระเยซูตำแหน่งปุโรหิตของพระเจ้านะครับโครงทรงเหมาะสมกับเรานำความครบถ้วนสมบูรณ์แบบให้กับเรานะครับและนาเราไปถึงที่สุดได้ด้วย คุณลักษณะห้าประการดังต่อไปนี้ครับหนึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์สองพระองค์ปราศจากบาปสามพระองค์ไร้จุดด่างพร้อยไร้มนติศีรพระองค์แยกจากคนบาปทั้งหลายห้าพระองค์ทรงอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์คําว่าผู้ทรงบริสุทธิ์นั้นก็คือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าครับพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเรียกได้ว่าบริสุทธิ์หรือโฮลี่ประการที่สองคือปราศจากบาป นั่นหมายความว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นมนุษย์ทรงเป็นมนุษย์ที่ไม่ทำบาปเลยทรงเป็นมนุษย์ร้ยเปอร์เซ็นมนุษย์แท้ซึ่งเป็นมนุษย์แท้นั้นเป็นผู้ที่อยู่ในการทรงสร้างของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมเอวามาพระเจ้าสร้างเขาให้เป็นมนุษย์แท้คือไม่มีบาปหรือปราศจากบาปประการที่สามพระเยซูนั้นไรจุดด่างพร้อยคาว่าไรจุดด่างพร้อยนั้นหมายถึงเป็นเรื่องของการการถวายหรือของถวาย ของถวายที่ยกมาอยู่บนแท่นบูชานั้นจะต้องไม่มีมนทินไม่ใช่สัตว์ที่มีมนทินนะครับไรจุดด่างพ้อยนั่นคือพระเยซูทรงเป็นของถวายที่ไม่มีมนทรินหรือไรจุดด่างพ้อยประการที่สี่ครับตรงแยกจากคนบาป ท, ทั้งหลายนั่นหมายวามว่าชีวิตของพระองค์นั้นก็เรียกว่าเซเรรชั่นเซเอรชั่นก็คือการแยกตัวนะครับที่จะไม่ทำบาปแม้อยู่ท่ามกลางคนบาป ภาษาจิตอีกคำหนึงก็คือเชตอภารเชตอภารก็คือแยกไว้นะครับแยกไว้เป็นของเชงวนเป็นของถวายกสุดท้ายครับพระองค์ทรงอยู่เหนือฟ้าสวรรค์นี่คือลักษณะของฤทธานุภาพสูงสุดผู้สร้างโลกและฟ้าสวรรค์พี่น้องครับเราไม่เพียงแต่เห็นความบริสุทธิ์ฝ่ายวิญญาณของมหาผลิตใหญ่ของเราคือพระเยซูิตเท่านั้นแต่เรายังเห็นความเป็นอันดับหนึ่งของพระองค์ด้วยเพราะพระองค์ทรงอยู่เหนือฟ้าสวรรค์ในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ในความเป็นมนุษย์แท้ร้อยเอร์เซนที่ไม่มีบาปในความที่พระองค์นั้นได้ยินยอมไร้จุดดังพร้อยกลายเป็นของถวายและพระองค์พิสูจนชีวิตของพระองค์ให้อยู่ท่ามกลางคนบาปอยู่ในโลกนี้โดยที่พระองค์ไม่มีบาปเลยและในที่สุดพระองค์เจดโทงทรงถูกยกขึ้นนะครับเหนือฟ้าสวรรค์เพื่อให้คู่มันกราบไหว้และเป็นริ ษ, ษานุภาพนิมมหน้าที่จะถูกมอบไว้กับพระองค์พี่น้องครับเรามีพระเยซูเจ้าแบบนี้ครับ เรามีผู้ที่เราพึ่งได้แบบนี้แล้วเราจะยังคิดอะไรอยู่หรือครับที่เราจะไม่ถวายตัวรับใช้พระองค์อาเมนีน